สมัยพุทธกานักบวชนอกศาสนาได้พาการประชุมแสดงธรรมทุกวันแปดค่ำสิบสี่ค่ำสิบห้าค่ำทั้งข้างขึ้นข้างแรงชาวเมืองราชครุษทราบข่าวก็พากันไปฟังธรรมของนักบวชเหล่านั้นแล้วเกิดความเริ่อามใส่ศรัทธามากขึ้นตามลำดับต่อมาพระเจ้าพิมพิสารกษัตริย์แห่งแคว้นมคธส่งทราบข่าวนี้จึงได้นำขึ้นกลับทูลพระพุทธองค์ พร้อมทั้งขอพระพุทธานุญาตให้พระสงฆ์ประชุมแสดงธรรมในวันดังกล่าวบ้างพระพุทธองค์ได้ประทานอนุญาตจึงเป็นที่มาของวันพระในประเทศไทยมีหลักฐานว่าได้มีประเพณีวันพระมาตั้งแต่สมัยสุขโขทยัยและยังมีคำเรียกวันก่อนวันพระหนึ่งวันว่าวันกกนโดยเป็นธรรมเนียมของพระสงฆ์ในประเทศไทยที่จะกวนผมในวันนี้